ถ้าบินธบาตหน้าบ้านบางบ้านพูดแห่มาได้ยินว่าฉันไม่ใส่บาทพระวัดนี้ไม่เลื่อมใสองค์นี้และท่านจะไปเลื่อมใสใครถ้าท่านพูดอย่างนี้แสดงว่าท่านไม่ถึงธรรมะถ้าท่านถึงธรรมะถึงพระลัตนะตรยัยท่านจะปฏิบัติได้ท่านจะไม่มองพระในแง่ร้ายพอเห็นนุ่งเหลืองก็คิดว่าสุปฏิปันโนกล่าวว่าสังคังนามามิ ข้าพเจ้าขอไหว้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นสุปฏิปันโนก็ถึงเลยอาตมาขอบินทบาตชั่วดีทีห่างอยู่ที่ตัวพระท่านดีชั่วอยู่ที่เราเราจะคิดว่าใส่บาตรพระสุปฏิปันโนก็แล้วกันแล้วเราก็จะได้บุญเจตนาหังพิกเวกัมมังวทามิกรรมเป็นตัวกระทําที่เราได้บุญ ถ้าท่านมัวแต่มองพระว่าดีหรือไม่ถ้าเป็นเนนมาก็ไม่ใส่บาตรหลวงตาองค์นี้ก็ไม่ใส่เพราะไม่เลื่อมสท่านเลยไม่ต้องทำบุญไม่ต้องตักบาตรจนกระทั่งตายท่านจะเสียใจไปตลอดชีวิตบางคนตักบาตรมาจนแก่แต่ไปตกนรกเพราะเจตนาไม่บริสุทธิ์ตายด้วยอำนาจโทสะก็ต้องตกนรกไป ไม่ชอบด้วยอำนาจโมหะก็กลายเป็นเปเล็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นผู้ไร้ปัญญาบางคนไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แบบทรงเดชไม่มีเหตุมีผลไม่มีศรัทธาเพราะไม่รู้ถ้ารู้จะมีศรัทธาปลูกศรัทธาให้ขึ้นมีฉันทาความพอใจในพระรัตนตรัยที่กล่าวมานี้ท่านจะได้ถึงพระรัตนตรัยแน่จะเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา จะเกิดประโยชน์สวดทิพนแก่ตัวท่านเองท่านได้คุณพระศีรัตนไตรแล้วท่านจะได้รู้ชัดว่าภาวนาแล้วมันได้ตรงไหนท่านจะรู้เองว่าคุณพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตัวเราพระธรรมเจ้าอยู่ที่ตัวเราพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ตัวเราเราจะได้รู้เราจะได้เป็นผู้มีปัญญาแยกแยะความชั่วออกจากตัวได้มีแต่ความดี อาตมาเข้ากรรมฐานรู้ตัวอยู่ว่าเป็นอะไรจะเกิดโรคอะไรบ้างเขาไม่ให้ต่อสัญญาในปีนี้เราก็อยู่ไม่ได้แล้วเราจะเริ่นกรรมฐานเป็นการต่ออายุต่อรูปต่อนามของใครก็ต่อเอาเองไม่ใช่ยกความดีให้กันได้ถ้าความดียกให้กันได้โยไม่ต้องมานั่งอาตมาจะเสกให้เอาความดีไปเลย เอาใส่กระเป๋าไปไปถึงบ้านก็หมดเลยในกระเป๋าก็ไม่มีด้วยมีแต่อะไรก็ไม่รู้อาจจะมีแต่หวยก็ได้ใส่กระเป๋ามาความดีหายไปเลยเพราะฉะนั้นการมาเจริญพระกรรมฐานนั้นเข้าถึงพระรัตนตรัยได้แน่นอนแต่ถ้าท่านไม่สนใจอย่างจริงจังก็จะไม่ได้ประโยชน์ถ้าศรัทธาฟังสนใจปฏิบัติก็เหมือนเรียนวิชาที่ชอบ เรียนแล้วก็เป็นวิชาเอกของท่านท่านจะสันทัดกว่าคนอื่นเขาเพราะท่านชอบอาตมาถึงได้ถามว่าคนสวยอยู่ที่ไหนตอบกันผิดทั้งนั้นคำตอบที่ถูกคือก็อยู่ที่เราชอบสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็จะไม่สวยไม่ดี